วิญญาณที่โรงพยาบาล อ, อ่อนเป็นคนที่ฝันและเป็นจริงเสมอเป็นความฝันบอกเหตุลวงหน้าให้ได้รับรู้ไว้ก่อนซึ่งอ่อนก็จะทดสอบความฝันด้วยการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นการยืนยันก่อนที่จะประสบเหตุการณ์จริงทุกครั้ง เมื่อสิบกว่าปีก่อนอ่อนไปเยี่ยมญาติสนิทที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพเธอรักษาตัวอยู่ที่ตึกผู้ป่วยหญิงชั้นห้าอ่อนตั้งใจไปบริจาคเลือดให้เพราะคิดว่าเธอต้องการเลือดอ่อนมีเลือกรูปเดียวกันกับคนไข้เมื่อไปถึงที่ห้องคนไข้จึงทราบว่าอาการเจ็บป่วยของเธอไม่จำเป็นต้องให้เลือดตามที่มีคนบอกมาเธอเป็นมะเร็งเต้านมขณะไปถึง เธอนอนอยู่บนเตียงอ่อนยืนคุยกับเธออยู่ข้างเตียงรู้สึกสงสารเธอเสียใจและเป็นทุกข์ใจไปกับเธอด้วยยืนคุยกันอยู่ประมาณยี่สิบนาทีขณะที่คุยกับเธอนั้นมีความรู้สึกว่ามีคนมองอยู่ภายในห้องอ่อนคุยไปตาก็ากวาดมองไปรอบห้องปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวห้าสิบแดปีหน้าตาดูแล้วน่ากลัวมาก รูปร่างผอมมากท่าทางมอสออยู่ในชุดผ้าถุงสีมอมอใส่เสื้อแขนกระบอกสีเดียวกันกับผ้าถุงกำลังลออยู่บนเพดานห้องพร้อมกับโหเราะเสียงแหลมดังลั่นห้องกล้องไปหมดไม่มีคนอื่นได้ยินมีแต่อ่อนได้ยินคนเดียวชัดเจน <g 1900> เขามองจ้องมาทางอ่อนตาต่อตาประสานกันอย่างจางัง เขาพยายามบังคับด้วยพลังของเขาที่จะทำให้อ่อนตกใจกลัวจนอ่อนเกือบจะล้มลงอ่อนพยายามตั้งสติไม่ให้ตกใจกลัวอ่อนรู้ว่านี่คือผีที่มาหลอกหลอนอ่อนและพยายามแทรกเข้ามาในตัวอ่อนอ่อนทาเป็นไม่สนใจหันกลับไปคุยกับญาติของอ่อนบนเตียงต่อไปแต่เสียงโหเราอของเขากลับดังมากยิ่งขึ้นกึกก้องไปทั้งโสดปราสาท เขาพยายามเอาเสียงมาข่มขูอ่อนพยายามใช้พลังเต็มที่ที่จะเข้ามาสิงในตัวอ่อนให้ได้อ่อนต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของเขาอ่อนรู้ตัวเองว่าจะล้มไม่ได้แต่ฤทธิ์ของเขามากมีพลังมากทีเดียวอ่อนเริ่มเหงื่อแตกเต็มหน้าปากเริ่มแข็ง มือไม้เกรงไปหมดเลยอ่อนต้องเร่งภาวนาพุทธโธตลอดเวลาพอมองไปที่คอของคนไข้อ่อนมีความรู้สึกอยากจะบีบคอญาติคนนี้เรากับโกรธเกลี้ยวกันมานานแสนนานแต่บังเอิญที่ญาติคนนี้มียันต์กันผีติดตัวอยู่จึงทำอะไรเขาไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเก่าแก่ย่อมจะต้องมีสิ่งที่คอยคุ้มครองตน ความหงุดหงิดที่อ่อนรู้สึกได้จากผีผู้หญิงนี้เป็นความหงุดหงิดที่อาฆาตพยาบาทและต้องการจะเอาเรื่องให้ได้แต่เพราะของขลังที่มีอยู่ในตัวของญาติผีจึงไม่สามารถจะทําอันตรายเธอได้อ่อนจึงหันมองไปที่พี่ตึงที่มาด้วยกันใจอยากจะบีบคอพี่ตึงแทนซิอีกอ่อนเกือบแพ้เธออยู่แล้วควบคุมตัวเองเกือบจะไม่ได้แล้วใจคอวิววิวจะไปแล้ว พอญาติของอ่อนเห็นอาการของอ่อนแล้วตกใจหน่าซีดพูดสรพยอกอ่อนว่ามาเยี่ยมคนป่วยแล้วทำไมจะป่วยซิเองละ่ะอ่อนเอ้ยพี่ตึงก็บอกกับอ่อนเช่นกันอา้าวทาไมกลายเป็นคนไข้เองซะแล้วไม่มีใครเห็นและรู้เรื่องอะไรเลยอ่อนเห็นและรู้สึกอยู่คนเดียวไม่ได้ฝันไปนะเมื่ออ่อนนั่งลงที่เก้าอี้ข้างเตียงแล้วอ่อนยังได้ยินเสียงหัวเราะ อ, อยู่ แต่อ่อนไม่สนใจแล้วศพหน้าลงกับเตียงเข้าสมาธิสุดหายใจเข้าลึกๆอาการเกรงหายไปทันทีเสียงหัวเราะหายไปแต่อ่อนก็ไม่กล้าเล่าให้ญาติฟังเกรงว่าเธอจะกลัวตั้งใจไว้ว่าจะถือศีลแปดให้วิญญาณที่เห็นหนึ่งอาทิตย์และคิดว่าเขามาหาเราเพราะต้องการบุญแต่จิตของเขาดุร้ายจึงแสดงอาการต่างๆออกมาอ่อนก็ได้อุทิศบุญกุศลให้เธอแล้ว เมื่อ ญ, ญาตกลับบ้านแล้วอ่อนจึงถามเธอว่าที่อ่อนเห็นยันในตัวเธอเป็นยันอะไรแล้วก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องที่อ่อนได้พบเธอจึงเล่าให้ฟังว่ายันนั้นเธอไว้ที่อกตลอดเวลาเป็นยันที่ปู่ให้ไว้กันผีนานแล้วเข้าโรงพยาบาลก็เอาไปด้วยปกติไม่ควรมีใครเห็นแต่อ่อนเห็นได้อย่างไรก็ไม่ทราบเห็นเต็มตาเลยทั้งๆัที่อยู่ในอกเสือ้อญาติของอ่อนจึงเล่าให้ฟังว่า สามีของเธอมาเยี่ยมเธอตั้งแต่เช้าตีห้าเราต้องรีบไปเปิดร้านก็เจอผีผู้หญิงคนเนี้ยมาเปิดประตูให้ลักษณะการแต่งตัวเหมือนกับที่อ่อนเห็นเขาก็นึกว่าคนเฝ้าไข่ห้องข้างๆมาเปิดประตูให้หันไปจะบอกขอบคุณเขาตามมารยาทแต่ก็ไม่เห็นใครแล้วเขาขนหัวลุกสู้เลยเขาโดนเล่นงานวันเดียวกันกับอ่อนเขาโดนตอนเช้าส่วนอ่อนโดนตอนสาย ราวๆสิบโมงครึ่งเห็นจะได้กลางวันแสกแสกเลย